เจริญพรท่นานสาธุชนพุทธบรรสัทอุบาศกอุบาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9ทธันวาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันวันแรม15้าค่ำเดือน12สองเป็นวันพระ วันธรรมสวรนระวันฟังธรรมเป็นวันที่พระบรมศ า, าสดาพระอาหารหันตสัมมาสามพุทธเจ้าที่เป็นที่เคารพนับถือกราบไหวบูชาของพวกเราทั้งหลายได้ทรงมัญญัดไว้ให้พวกเราได้ปล่อยวางภารกิจทางโลกทางการ ทำมาหากินทางธุรการต่างๆเพื่อให้มาวัดเพื่อมาชำระกายวาจาใจให้สะอาดเพราะความสะอาดของกายวาจาใจจะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญความสุขและความเจริญที่แท้จริงนั้น ไม่ได้อยู่ที่สุขทางโลกสุขที่ได้จากการได้ดูได้ยินได้ฟังได้ลิ้มรสได้ดื่มสิ่งต่างๆได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรือเจริญด้วยลาบเงินทองเข้าของยศถาบรรดาศักดิ์คำสรรเสริญเยืนยอต่างๆเหล่านี้ ทางศาสนาไม่เรียกว่าเป็นความเจริญที่แท้จริงเพราะไม่ได้ทำให้จิตใจนั้นสูงขึ้นดีขึ้นไปกว่าเดิมและดีไม่ดีอาจจะทำให้จิตใจเสื่อมลงต่งลงไปเสียด้วยซ้ำไปไม่เหมือนกับการชำระ ก, กายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เป็นความสุขและความเจริญที่แท้จริงเพราะเมื่อได้ชำระแล้วใจจะมีความสุขใจจะสูงขึ้นดีขึ้นเป็นคนที่มีความเมตตามากขึ้นมีศีลมีธรรมมากขึ้นมีความกรุณามากขึ้น <c oughs> นี่คือความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่พระบรมศาสดาทรงสอนให้พวกเรา หมั่นสร้างกันหมั่นบำเพ็ญกันอย่าไปหลงยึดติดกับความสุขความเจริญทางโลกเพราะมันไม่จีรังถาวรมันเป็นสมบัติผลัดกันชมเป็นความสุขความเจริญที่มีการสิ้นสุดสิ้นสุดในขณะที่เราหมดชีวิตไปเมื่อเราตายไปแล้วปดาลาบยศสรเสริญสุขต่างๆ ก็หมดไปและในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่บางทีมันก็หมดไปก่อนที่ชีวิตของเราจะหมดไปก็มีจึงเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องดิ้นรนขวนขวายหาลาบยศสรรเสริญสุขกันตลอดเวลาและได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มไม่มีความพอ มีแต่ความอยากความต้องการที่จะมีให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆพวกเราเลยกลายเป็นทาสของความอยากความต้องการต่างๆไปโดยไม่รู้ตัวแทนที่จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีกันก็ต้องไปเพราะอยู่ไม่เป็นสุข พอใจไม่ได้รับการชําระกายวาจาใจนั่นเองแต่ถ้าเราได้ชําระกายวาจาใจของเราแล้วใจของเราจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอขึ้นมากขึ้นไปตามลําดับจนในที่สุดจะไม่มีความรู้สึกต้องการไม่มีความหิวความอยากกับอะไรเลย เช่นใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวุทั้งหลายเป็นใจอย่างนั้นเป็นใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขความอิ่มความพอไม่หิวกับลาบยศสารเสริมสุขอยู่แบบขอทานได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีและมีความสุขดีกว่าอยู่แบบเศรษฐี ที่ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเพราะต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมเพื่อให้ได้เป็นเศรษฐีขึ้นมาต่างกันตรงนี้ความจเจริญความเสื่อมที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของเราเราจะดีจะชั่วจะสูงจะต่ำไม่ได้อยู่ที่เงินทองที่เรามีอยู่ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งที่เรามีไม่ได้อยู่ที่ บริษัท์บริวารที่คอยยกย่องสรรเสริญเยินยอแต่อยู่ที่ความดีที่เราได้กระทำกันเท่านั้นเพระพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเข้ามาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับใจของเรา ด้วยการมาชำระกายวาจาใจที่ถูกสิ่งที่เป็นมนทินทั้งหลายสิ่งที่เป็นสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายทำให้จิตใจนั้นไม่ผ่องใสไม่เจริญไม่มีความสุขการชำระนั้นก็แบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันคือชำระกาย ชำระวาจาและชำระใจสิ่งที่ทำให้ใจนั้นเปื่เปื้อนสรสิ่งที่ทาให้กายเปิดเปื้อนสโปรกนั้นก็คือการกระทำที่เรียกว่าบาปีอยู่สามประการคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประฤพิผิดประเวณีที่เป็นการกระทำที่ทำให้ จิตใจเสื่อมลงต่ำงลงมีความทุกข์มีความวุ่นวายการกระทำทางวาจาที่ทำให้จิตใจเสื่อมลงต่ำงลง <c oughs> ก็คือการพูดปดมดเท็จ <c oughs> การการพูดคำหยาบ <c oughs> การพูดเพ้เจอและการพูดส่อเสียยุยง ให้ผู้อื่นเกิดความแตกแยกสามุขีกันการพูดเหล่านี้พูดไปแล้วจะทำให้ผู้พูดนั้นจิตใจตกต่ำมีแต่ความทุกข์มีแต่ความไม่สบายใจและการชำระใจก็มีอยู่สามประการเช่นเดียวกันคือชำระความโลภความโกรธความหลงที่เป็นมลทิน ที่เป็นสิ่งที่สร้างความเศร้าหมองให้กับใจทำให้ไม่มีความสุขไม่มีความเจริญก้าวหน้านี่คือการชำระกายวาจาใจทั้งสามส่วนที่เราควรจะชำระกันอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเช่นในวันพระเช่นวันนี้เราก็มาวัดเพื่อมาชำระกายวาจาใจ นี้ให้สะอาดเหมือนกับการชำระซักเสื้อผ้าของเราเราใช้เสื้อผ้าไปแล้วมันก็เปือเปอเปอเป้อนเปื้อนฝุ่นเปื้อนเปื้อนเหงื่อใครไม่มีทรงกลิ่นเหมอนออกมาไม่สะอาดไม่สดชื่นเวลาใส่เราก็ต้องเอาเสื้อผ้าไปซักฉันใดกายวาจาใจของเราก็เป็นเช่นนั้นเราก็ต้องคอยชำระ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 ชีวิตของใครนั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นมดมแมลงชีวิตของเขากับเรานี้มีคุณค่าเท่ากันเขาก็มีใจเหมือนกับเราต่างกันตรงที่ร่างกายของเรากับของเขานี้ไม่มีขนาดไม่เท่ากันเรามีร่างกายใหญ่กว่ามดกว่ามแมลง แต่ใจของมดแล ะ, มะแมลงนี้กับใจของเรานี้มันเท่ากันเพราะใจนี้ไม่มีขนาดใจนี้เป็นนามธรรมาไม่ใช่เป็นรูปประทับยังไม่มีขนาดใจของเขากับใจของเรานี่เหมือนกันมีความปรารถนาเช่นเดียวกันคือปรารถนาความสุขมีความไม่ปรารถนาที่จะพบกับความทุกข์ มีความปรารถนาที่อยากจะอยู่ไปนานๆไม่อยากจะตายเช่นเดียวกันใจของเขากใจของเรานี้อาจจะเคยสลับหน้าที่กันมาก็ได้ในชาติก่อนๆเราเคยเป็นมดเป็นมแมลงมาก็ได้ส่วนพวกที่เป็นมดมแมลงในชาตินี้อาจจะเป็นมนุษย์มาก่อนก็ได้แต่เนื่องจากเขาได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ถ้ามดมาแมลงอย่างพวกเราเขาจึงต้องกลับไปเกิดเป็นมดมแมลงส่วนพวกเราเมื่อหมดเว่ยหมดกรรมเราก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราควรที่จะรักษาสถานภาพของมนุษย์ไว้อย่า ก, กลับไปเกิดเป็นมดเป็นมแมลงเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกด้วยการไปฆ่ามดมาแมลงไปฆ่าสัตว์เดรัจฉานต่าง เพราะว่ากรรมนั้นเป็นกฎตายตัวทาอะไรแล้วก็ต้องไปใช้กรรมนั้นฆ่าเขาแล้วก็ต้องกลับไปเกิดให้เขากลับมาฆ่าเราและเวลาที่เราฆ่าใครก็ตามเราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจมีความเดือดร้อนวุ่นวายใจจะต้องคอยหลบคอยลีกเพราะกลัวจะถูกจับไปลงโทษจึงขอให้เราพยายามรักษา ศีลข้อที่หนึ่งไว้ให้ดีไม่ว่าจะเป็นการฆ่ามนุษย์หรือฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ตามอย่าไปฆ่าว่าเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์นี่คือข้อที่หนึ่งที่เราควรที่จะชำระข้อที่สองที่เราควรชำระก็คือการลักทรัพย์หรือการเอาสิ่งของต่างๆของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาต เขายังไม่ได้อนุญาตก็อย่าไปหยิบอย่าไปเอามาเป็นสมบัติของเราอยากจะได้อะไรก็ขออนุญาตเขาก่อนถ้าเขาไม่ให้ก็แล้วไปอยากจะได้ก็ให้ขยันทำงานทำการเก็บเงินเก็บทองเอาไว้พอมีเงินทองพอแล้วก็ค่อยไปซื้อสิ่งที่อยากได้ หรือทางที่ดีก็อย่าไปอยากเสียเลยก็จะดีกว่าเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นที่เราอยากได้ส่วนมากก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีไม่มีเราก็อยู่ได้ยกเว้นปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหง่มที่เราจําเป็นจะต้องมีพอประมาณเพื่อให้เราอยู่ได้ ถ้าเรามีพอประมาณแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปลักทรัพย์ไม่ต้องไปขโมยสิ่งของต่างๆจากใครถ้าเรารู้จั ก, จกหักห้ามจิตใจของเราอย่าปล่อยใจของเราให้ไปทำการกระทําที่ไม่ดีเช่นการลักขโมยป็นต้นเพราะจะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราประการที่สามก็คือการ ละเว้นจากการประพฤติผิดโตเวนีถ้าอยากจะมีคู่ครองก็ให้ทำให้ถูกต้องตามประเพณีไปสู่ขอพ่อแม่เขาเสียก่อนหรือถ้าเขามีสามีแล้วหรือภรรยาแล้วอยากจะได้ก็ไปขออนุญาตจากสามีจากภรรยาเขาก่อนถ้าเขาอนุญาตก็ไม่เป็นไรถ้าเขาไม่อนุญาตก็อย่าไปทำ ก็ทําแล้วจะเกิดปัญหาตามมาอาจจะต้องถึงกับการฆ่ากันตายไปก็มีเป็นข่าววาอยู่เรื่อยๆพราะการกระทําที่ไม่ถูกต้องนี้เองอยากจะได้ก็ขอให้เราทําให้ถูกประเพณีถ้าดีกว่านั้นก็คืออย่าประยัคหัดอยู่คนเดียวได้ยิ่งดีใ อ, อยู่คนเดียวนี้จะไม่ต้องมีปัญหา ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวายกับใครแต่ถ้ายังอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องอดกลั้นอดทนไว้ทําให้ถูกต้องตามประเพณีและเมื่อมีคู่ครองแล้วก็ต้องให้มีความซื่อสัตย์ต่อกันอย่าไปมากมากอย่าไปโลกมากผัวเดียวมีเดียวก็มีความสุขเหลือล้นแล้ว มีมากไปกว่านั้นก็ไม่ได้ทําให้มีความสุขเพิ่มมากไปกว่านั้นแต่กลับจะทําให้มีความทุกข์ความยุ่งเหยิงวุ่นวายตามมามากขึ้นไปอีกนี่คือการชาระกายมีสามส่วนด้วยกันคือละเว้นจากการฆ่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพ์ละเว้นจากการประพฤติิประเวณีส่วนการชําระวาจาคือคําพูดของเรา ก็มีอยู่สี่ประการด้วยกันเวลาพูดอะไรอย่าไปพูดปดอย่าไปพูดคำเท็จให้พูดคำจริงถ้าพูดไม่ได้ก็ปุกปากไว้เฉยเฉยไม่ต้องพูดก็ได้การไม่พูดนี่ไม่เสียหายอะไรไม่เป็นบาปเป็นกรรมไม่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยกับใครเช่นเวลามีใครเขาถามอะไรแล้วเราไม่สามารถพูดความจริงได้ ก็อย่าไปพูดปดถ้าอยากจะพูดก็พูดเรื่องอื่นไปพูดเรื่องฝนฟ้าแดดลงพูดเรื่องอากาศไม่พูดอะไรก็ได้เปลี่ยนเรื่องพูดไปเรื่อยๆอย่าไปพูดเรื่องที่เราต้องพูดโกหกเพราะจะทำให้เราเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าจะทำให้คำพูดของเรานี้ไม่มีราคาต่อไปเวลาเราจะพูดจะพูดอะไรกับใคร อย่าไม่มีใครเข้าเชื่อคำพูดของเรานี่คือข้อที่หนึ่งในการชำระวาจาข้อที่สองก็คือไม่ให้พูดคำหยาบคำหยาบนี้พูดไปแล้วก็ฟังไม่ราบเรื่นหูฟังแล้วก็ไม่สบายใจพูดไปแล้วก็เหมือนกับเอาขยะไปให้กับคนอื่นเขาขยะทางเสียง ทำให้หูของคนฟังนี้ศกโปกต้องไปล้างอย่าไปพูดว่า พ, พูดแล้วทำให้เรากลายเป็นคนศกโปกเป็นคนต่ำต้อยเป็นคนไม่น่าเลื่อมใสไม่ น, น่าเคารพนี่ก็คือการชำระข้อที่สองของวาจาข้อที่สาก็คือการไม่พูดเพ้อเจ้อ พ่อเจอ้าก็คือพูดเรื่องที่ไม่มีสาระประโยชน์เช่นเรื่องธรรมะนี้เป็นสาระเป็นประโยชน์พูดแล้วจะทำให้เกิดปัญญาพูดแล้วจะทำให้ทำสิ่งที่ดีที่งามเช่นพูดเรื่องไปวัดเรื่องไปฟังเทศฟังธรรมเรื่องไปทาบุญเรื่องการรักษาศีลเรื่องการฟังเทศฟังธรรม เหล่านี้พูดแล้วก็จะทำให้ได้ไปทำในสิ่งที่ดีที่งามแต่ถ้าพูดเรื่องที่เพ้อเจอเรื่องนินทากาเลว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พูดไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนคนที่ถูกพูดเขาก็เสียหายคนที่พูดก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาอย่าไปพูดสิ่งต่างๆที่ไม่เกิดประโยชน์ ไม่ได้ทำให้จิตใจเราดีขึ้นสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นขอให้เราพูดแต่สิ่งที่ดีที่งามถ้าจะพูดเรื่องของคนอื่นท่านสอนให้พูดแต่ความดีของผู้อื่นความดีของผู้อื่นนั้นพูดไปเท่าไหร่ก็ไม่เสียหายความไม่ดีของผู้อื่นอย่าไปพูดพูดแล้วจะเสียหายแต่ถ้าจะพูดเรื่องของเรา ก็อย่าพูดเรื่องความดีของเราเพราะจะเป็นการเหมือนยกหางเป็นเหมือนกับยกย่องตัวเองให้พูดเรื่องที่ไม่ดีของเราเพื่อเราจะได้ประจานตัวเราเองว่าเราไม่ดีเพื่อเราจะได้นำเอาไปแก้ไขต่อไปนี่คือการพูดที่เป็นสาระให้พูดอย่างนี้อย่าไปพูดเรื่องเพร์เจอร์ต่างๆเรื่องนินทากาเล อะไรที่ไม่มีสาระไม่มีคุณไม่มีประโยชน์อย่าไปพูดและประการสุดท้ายก็คือไม่ให้พูดส่อเสียดส่อเสียดนี้แปลว่าไม่ให้พูดให้เกิดการแตกแยกสามัคคีอย่าประยุยงให้คนที่เขารักกันเขาดีกันเกิดเกิดความโกรธเกิดความเ ก, เกมเลียดกันขึ้นมาควรจะพูดส่งเสริ ให้เขารักกันมากยิ่งขึ้นไปเพราะการรักความสามัคคีกันจะทำให้มีความสุขและมีความเจริญที่ไหนมีความแตกแยกสามคัคคีไม่มีความรักกันที่นั้นจะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนสังเกตดูสังคมที่ไม่มีความรักสามัคคีกันจะมีการเข็นฆ่าฟันกันเบียดเบียนกันด้วยวิธีการต่าง คนที่อยู่ในสังคมนั้นก็อยู่อย่างหวาดระแวงหวาดกลัวหวาดกลัวภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตนและมีไม่ดีก็อาจจะถูกทำลายชีวิตได้แต่ในสังคมที่มีความรักมีความสามัคคีกันคนอยู่ในสังคมนั้นก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความสบายอกสบายใจ พระพุทธเจ้าจึงสรงสอนให้เราอย่าไปพูดส่อเสียดนี่คือการชําระวาจาที่มีอยู่สี่ประการคือไม่ให้พูดคําเท็จคําปลดไม่ให้พูดคําหยาบไม่ให้พูดเพ้อเจ้อและไม่ให้พูดส่อเสียดส่วนการชําระทางใจก็มีอยู่มีอยู่สามส่วนคือ ชำระความโลภชำระความโกรธและชำระความหลงเพราะความโลภความโกรธความหลงนี้ไม่ได้มีคุณประโยชน์กับจิตใจแต่เป็นเหมือนกับยาพิษที่จะทำให้ใจนั้นมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลาเราจึงต้องพยายามต่อสู้ กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้ได้วิธีที่จะกำจัดความโลภนั้นส่งสอนให้เราใช้มากน้อยสันโดษให้เรายินดีนกับสิ่งน้อยๆ อ, อย่าไปยินอย่าไปมากๆให้เราพอใจกับของน้อยๆคือพอใจกับเท่าที่จําเป็นอย่าไปมีมากเกินความจําเป็น เช่นปัจจัยสรับประทานอาหารก็ให้รับประทานพอประมาณอย่าไปรับประทานมากจนเกินไปจะทำให้ร่างกายนี้มีน้ำหนักมากกลายเป็นคนอ้วนไปดูแล้วไม่สวยงามไม่สง่าผ่าเผยให้กินพอประมาณกินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินเพราะการกินมากๆนี้ไม่ได้เป็นความสุขแต่เป็นความทุกข์ เพราะว่าจะทำให้มีโครคภัยไข้เจ็บตามมาแล้วใจก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มว่าพอกินมากเพียงไรก็ยังอยากจะกินอยู่อย่างนั้นนี่คือวิธีต่อสู้กับความโลกให้เอาเท่าที่จำเป็นมีอะไรที่จำเป็นก็ให้มีพอพอมีครบแล้วก็หยุดส่วนที่ไม่จำเป็นก็อย่าไปดิ้นรนอยากได้มา ตัดมันไปเวลาอยากจะได้อะไรก็ถามตัวเองว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันจำเป็นไหมถ้าไม่มีมันแล้วเราจะตายหรือไม่ถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเป็นไปหามันมาเช่นวิทยุโทรทัศน์พัดลมอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่มีเราไม่ตายอยู่ได้เราอย่าไปอยากมัน เพราะอยากแล้วมันจะทำให้เราต้องเด่นรนต้องไปหาเงินหาทองซื้อมาแล้วถ้าหาไม่ได้อยากได้มากๆ ก, ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินยิ่งเป็นปัญหาตามมาใหญ่เพราะเมื่อเราไม่มีปัญญาแลวเราจะไปหาเงินมาใช้หนี้เขาได้อย่างไรต่อไปก็จะต้องคอยหลบหน้าคนนั้นคนนี้เพราะไปกู้หนี้ยืมสินเขาแล้วไม่มีปัญญาใช้หนี้ ก็กลายเป็นคนไม่ดีไปแต่ถ้าเรามีความมาักน้อยเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายเราจะมีพออยู่พอ ก, กินตลอดเวลาและจะมีเงินเหลือไว้เก็บไว้ในยามยากเวลาที่เกิดความจำเป็นที่เราไม่สามารถหาเงินหาทองได้เราก็จะมีเงินทองนี้คอยดูแลเราแต่ถ้าเราเป็นคนมากมากแล้ว รับรองได้ว่าต่อให้มีมากเพียงไรก็ไม่พอสมัยเด็กๆมีวันละห้าบาทก็อยู่ได้พอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่มีวันละร้อยก็ไม่พอมีวันละพันก็ไม่พอบางคนมีวันละหมื่นใช้ก็ไม่พอเพราะความพอมันไม่มีกับความอยากความต้องการนั่นเองกับความโลภความโลภนี้มันจะไม่มีคำว่าพอ ได้มาเท่าไหร่ก็ยังอยากจะได้อีกยังรู้สึกว่าไม่พออยู่อย่างนั้นดังนั้นเราจึงต้องพยายามต่อสู้กับความโลภให้ได้ถ้าเราแพ้ความโลภความโลกมันก็จะฉุดลากให้เราไปตกนรกบกไหมพาให้เราไปสู่ความทุกข์ความลำบากความวุ่นวายอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นดังนั้นพระพุธธทธเจ้าจึงสอนให้เรามักน้อยหรือสันโดษ สันโดษก็คือให้ยินดีตามมีตามเกิดให้พอใจกับฐานะของเราเรามีมากมีน้อยก็ให้เราพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่นี่เรียกว่าสันโดษถ้าเรามีําน้อยสันโดษแล้วเราจะต่อสู้กับความโลภได้ส่วนความโกรดนี้ท่านก็สอนให้เรามีความเมตตาไม่ให้จองเวรให้รู้จักให้อภัย ใครเขาทำอะไรให้เราโกรธเราต้องเห็นว่าความโกรธนี้เป็นพิษเป็นภัยมากกว่าคนที่ทำให้เราโกรธคนที่ทำให้เราโกรธนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยเหมือนกับความโกรธในหัวใจของเราเพราะความโกรธนี้เป็นตัวที่ทำให้เราวุ่นวายทำให้เราทุกข์ทำให้เราร้อนรนเราจึงต้องมาดับความโกรธนี้อย่าไป ดับคนที่ทําให้เราโกรธไม่เกิดประโยชน์อะไรดับความโกรธนี้ด้วยการให้อภัยไม่ถือโทษก่อเคร่งไม่อาฆาตจองเวร น, นี่คือวิธีที่จะทําให้เราไม่โกรธได้เราต้องเห็นโทษของความโกรธอย่าไปเห็นโทษของคนที่ทําให้เราโกรธพอยิ่งเห็นยิ่งทําให้เราโกรธใหญ่เราก็ยิ่งทุกข์ยิ่งร้อนใหญ่ยิ่งอยากจะทําร้ายเขาใหญ่ ยิ่งอยากจะทำร้ายเขาได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งร้อนมากขึ้นไปเท่านั้นแต่พอเราให้อภัยก็ได้เท่านั้นเองความโกรธภายในใจก็ดับไปเราต้องรู้จักวิธีดับความโกรธอย่าปล่อยให้ความโกรธนั้นมันลุกลามขึ้นไปเพราะมันจะทำให้เราต้องไปทำในสิ่งที่เราต้องเสียใจในภายหลังความโกรธนี้ไม่ยากถ้ามีสติ รู้ทันมันรู้ว่ากำลังโกรธแล้วก็พยายามอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธพยายามดึงเข้ามาหาพุโทโธพุโทโธไว้หรือสวดมนต์ไปภายในใจไว้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวความโกรธก็หายไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับคนที่ทำให้เราโกรธนี่คือวิธีระ ง, งับความโกรธส่วนความหลมนี้ท่านก็ทรงสอนให้เราพิจารณา ให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราหลงเรายึดเราติดอยู่นั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะยึดติดเพราะไม่อยู่กับเราไปได้ตลอดไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นสมบัติของเราไม่ว่าอะไรก็ตามที่เรามีอยู่ที่เราห่วงที่เรากังวลที่เรารักเราหวงเราแหนสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่อยู่กับเราไปตลอด หรือแม้เช่นนั้นสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไปมันไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปหวงแหนไม่ต้องไปเสีย อ, อกเสียใจเสียดายเวลามันจากเราไปอย่าไปยึดอย่าไปติดกับอะไรทั้งหลายในโลกนี้เพราะความยึดติดนี้จะทำให้เราทุกข์ใจทำให้เราวุ่นวายใจทำให้เราไม่มีความสุขใจ ยึงสงสอนให้เราพิจารณาอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แม้กระทั่งร่างกายของเราเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาไม่ได้อยู่ร่วมกันตลอดยึงหักควรคองควรฝึกทำใจเอาไว้สอนใจอยู่เรื่อยๆ ว่าอย่าไปหลงยึดติดเพราะยึดติดแล้วจะทำให้เราทุกข์ทุกข์ทั้งในขณะที่อยู่ร่วมกันและทุกข์หลังจากที่ต้องจากกันขณะที่อยู่ร่วมกันก็คอยห่วงคอยกัวงวลกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาจากกันก็ร้องห่งร้องไห้เศร้าสศกเสียใจพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้เราแก้ความหลงด้วยปัญญาคือให้พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอ ให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นสมบัติของเราที่แท้จริงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของที่เรายืมเขามาเรายืมมาจากธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟร่างกายของเรานี่มาจากธรรมชาติคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเมื่อตายไปร่างกายนี้ก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มาจากดินน้ำลมไฟทั้งสิ้น ไม่มีคุณค่าไม่มีสาระประโยชน์อะไรแต่ความหลงของเราทำให้เราไปยึดไปติดไปชอบไปยินดีไปให้คุณค่ามันขึ้นมาเท่านั้นเองแต่สิ่งที่มีคุณค่าที่แท้จริงเรากลับมองไม่เห็นก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ได้รับการชำระด้วยกายวาจาใจนี่เองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหันเข้ามา หาสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ที่แท้จริงก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์จึงทรงสอนให้เรามันชำระกายวาจาใจอยู่เสมอดังที่ท่านพวกดังที่พวกท่านทั้งหลายได้มาชำระกันในวันนี้ชำระด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมและเมื่อกลับไปบ้านก็ กลับไปไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิแล้วก็คอยสอนใจอยู่เสมอเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เทียมแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราถ้าเราทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าใจของเราจะมีแต่ความสุขและความจเจริญขึ้นไปตามลำดับและจ ะ, จะเจริญึนขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของการชำระการวาจาใจในวันพระนี้ให้ท่านแน้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์